สี่เดือนสุดท้ายสองครึ่งเดือนแรกแล้วก็ครึ่งเดือนหลังแล้วก็สามเดือนก็สรุปแล้วก็คือบวชสี่เดือนนะั่นแหละบางทนอาจจะไม่ถึงบองทน่นอาจจะไกลกว่านั้นบ้างแต่ทั้งยังไงเมื่อพวกเราพระลูกหลานได้ลาสิกขาเรียว่าออกไปเป็นคราวาสก็จะให้พวกเราเป็นคนดี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 คนขาทิติก็คือคนบ้าเราอยากจะเป็นอย่างนั้นไหมสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อได้ย้ำเตือนให้กับพวกลูกหลานทั้งหลายให้เป็นคนดีและก็พร้อมกันให้พวกเราฟังเอาไว้ว่าทิตศทั้งหกพวกเราปฏิบัติต่อในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติในทิศ ท, ทั้งหกพวกเราจะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียว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 ลูกทั้งหลายคงจะดํารงวงสกุลของเราลูกของเราคงจะปฏิบัติตนเป็นคนดีจะได้รับมรดกที่เราเจะแสวงหายให้เราไม่ได้ให้ใครให้เพื่อลูกลูกของเราเมื่อเราล่วงรับไปแล้วลูกของเราคงจะอคงจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเราอันนี้คือพ่อแม่ที่เลี้ยงบุตรทิดาบุตรชายบุตรหญิงขึ้นมา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 อันนี้คือเป็นหน้าที่ของบทธิดาคือปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรย า, เ, าเรามีสามีภรรยาเมื่อออกไปเป็นข้าสามีภรรย า, าต้องเคารพให้เกียรติเขาให้เคารพในสามีภรรย า, อ, าอย่าไปนลบดูดูถูกเหยียดหยามภรรยาเป็นคู่ทุกข์คู่ยาก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 เผื่อๆเรามัจะเอาเราเราติดคุกด้วยนะน่นี่ถ้าไปคบค้าสมาคมกับไอเพื่อนของเราคนนี้เราก็ต้องถอยอไม่ใช่เป็นกระยาย า, ยาละมิตตรแ่เป็นปาปะมิตดจะแล้วเอเราก็ต้องพยายามหนีให้ห่าง เ, าเพราะเหตุายเพราะเราขืนไปอยู่ใกล้เผื่อๆนั่งรถไปคันเดียวกันะฮเอาจับไอ้นั้นได้เอาก็ว่าเป็นของเราด้วยเผื่อๆติดคุกไปหัวโตมั่นกันเอเ่อๆ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 แต่เราเข้าไปหาสมณะพราหมณ์สมณะพราหมณ์ก็จะได้แนะนําสั่งสอนเหมือนกระจกเงาให้พวกเราได้รู้เด็กดีรู้ดื้อให้รู้จักรู้รดีรู้ชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรอันนี้ก็คือทิศเบื้องบนสมณะพราหมณ์ทิศเบื้องต่ำมิตรสหายคนเราต้องมีหมู่มีเพื่อนมีมิตรมีสหายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อพวกเราที่จะไปสู่อฆราวาสอ่ออ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 ถ้าว่าเราดูแลลูกน้องบริวารดีลูกน้องบริวารก็ให้ความเคารพเ อ, อทําการงานเขาให้เราเออบางคนก็นั่นตายแทนนายได้เพราะอะไรเพราะนายดีเ อ, อเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นเ อ, อนายของเขาต้องดูแลบริวารลูกน้องการวารเราดูแลดีแล้วน่่ะเ อ, อความสงบล่นร่มเย็นเป็นถูกในบริษัททางร้าน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 ถ้าลูกกั้นใจตายมันก็เกิดมาก็เท่านั้นหละเอาเถอได้เกิดมาแล้วให้ทตัวเป็นใบ้ช่ไมไม่พูดไม่อะไรได้ในทุดท้ายจะค่อยออกไปบวชนะลูกนะเนี่ยแหละพระเตมีท่านจริงเตมีใบท่านก็เลยหยุดพูดตั้งแต่สมัยรู้เดียงสาวภาวันเรานอนในพระเพลาในตักของพระบิดาพระบิดาล แน่นอนในตักพระบิดาพระบิดาเป็นผู้ตัดสินคดีความอา่เขาเอาอนักโทษใส่คือคาผูกคอมาผูกขามาอา้าวคนนี้ประหารชีวิตอา้าวคนนี้จํจาคุกตลอดชีวิตอา้าวคนนี้ปรับไหม้คนนี้ขังคุกเออพระเตมีที่นั่งอยู่พระเผาที่ตักของพระบิดาโอ้ตายเราเกิดชาตินี้เกิดมาเป็นพระเจ้าแผนดินอีกแล้วเนี่ย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 ตากแดดให้พระเตมีพูดพระเตมีบอกตกนรกร้อนกว่านี้ถ้าไปเห็นหมดมันกัดก็ไปใส่ให้หมดแดงกัดมดแดงไฟกัดพระเตมีบอกว่าเฮ้ยภาษาอะไรฟันมดเขี้ยวมดหอกแลหลนหล่ำเหกบหอกแหลนเหลาพญายมมันแทงยาวกว่านี้ที่มันแทง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 อย่างที่หลวงพ่อให้พิสูจน์นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครถ้าจิตใจสงบแล้วใจกับกายกายกับใจเป็นคนละส่วนเป็นคนละอันกันหลวงพ่อเปรียบเทียบ ว, ว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนโซโฟเฟอร์อถเมื่อรถมันแก่มันใช้ไปนานมันผุพังเข้าไปแล้วจะทำยังไงมันใช้ไม่ได้รถมันแก่ อโซเฟอร์ก็จะต้องหนีออกจากรถไปหาซื้อรถคันอื่นอีกนะะต้องทิ้งรถคันนี้หนีก็เหมือนกันนั่นแหละกายกับใจของเราลักษณะอย่างนั้น่ะถ้าร่างกายของเราใช้ไปนานอแล้วก็ต้องทิง้งใจไม่มีวันเท่าแก่ชรานะใจในเป็นหนุ่มอยู่เสมอพวกเราคิดดูสิอออายุถึงขนาดนี้อย่างหลวงพอ่อมองมอ ง, มองดูใจแล้วใจมันไม่หนุ่ม